ยังมีสามอีกจำพวกหนึ่งจะแจกด้วยวิป า, า, ร า, าสรเสนแป่งโรคไปต่างๆเมื่อนาทั้งสามไม่ได้คงโรบอยู่เป็นอย่างเดียวสาเหล่านี้เรียกว่าอับ ย, ายยาสามอับ ย, ายยาสามนีเป็นนิบาศ วางลีบาทวางปัดใจวางอบปัดาเคเริยเวเสตานาอบปัดามียี่ติดตัวอาทิยิ่งเกิดว้วนอาทิยิ่งใหญ่ทราบนูน้อยภายลังตาปะปะพราฤี อาปีเลือปีกายบนอาเพียิงยจำพ่อขออ้างนาอาว่ารือโอลงอาทัวยิงกับความผูกขึ้นนอกผูกปากเข้าไปใกลมันทู่ยช่วยยากมีเข้าลงนี่ไม่มีออกป่าทัวข้างหน้าก่อนออกปาติชาพา่อตอบทวนกลามภาระกับความปาเร่รองเบียดเศีแจ้งต่างสร้างความดี สุดิงามใจนิบาตนิบาตนานสําหรับลงในระหวังตา บ, บางเกเรยาตั บ, บางบอกอลาปานาการที่ปริเชนอุปมาปฏิเสธความได้ยินเล่าเดลือความปาริการความดางความดัความเดือนเป็นตนนิบาตบอกอลาปานามี เกฟันเตปะสันเต วันวานเสววยนรงบาดเดือนนี้อายติงต่อไปนี้บาดบอกที่มีสิบหกตัวอุทธรเบื้องบนอุปาลิเบื้องบนอันตราระวางอันต่อไปนัยสิโรภายน้อกฝ่ายฮีภายนอกฝ่ายฮตาภายนองฝ่ายฮีระภายนอกอันต่เบื้องต่ บอกปาริเชตมีสิบตัวว่าเพียงไรอย่าว่าเพียงใรต้าว่าเพียงนั้นอย่าว่าเทวเพียงใดนั่นเดียวถ้าว่าเทวเพียงนั้นนั่นเดียวอย่าว่าสามีประมาณเพียงใดถ้าว่าสามีประมาณเพียงนั้นคิตถาว่าสามีประมาณเท่าใดเศรษฐาตามีประมาณเท่านั้นชำระรอบพร้อมนิบาศบอก ไรนี่บาทบอกปิเสธมีเจ็ดตัวนาไม่โนใหมาญาวาเทวนาเวนอาตังโอยา นบาทบอกความได้ยินเล่าหรือมีสาตัวขีราิไยินว่าอารู้ได้ยินว่าสุทังได้ยินว่านบาตบอกภาริกรรมคากรเนมีหกตัวเจหักวะยาสีวาสาเจตวาอาสาทวาอาเปวะนามันคือแม่กันไอยานุนา บอกความท้มีแปดตัวกิ่งรืออะไรกทอะไรการกิแมรือนุนอน น, นุมีชร่ร อ, อุ่าหูหรวารวายที่ออย่างไรนี้นิบาศบอกความรับมีสองตัวอมามะเรออามันตา มเตือนมีสามตัวหญิงข้าเชิญเธือนตกข้าเอาเตือนหันถ้าเอาเตือนนี่บาดสารับปลุกสามแม่พายุมีอาชาเป็นอาเนงมีแปดตัวอาชา ด, ด้วยอาหนึ่งก็จริงอยู่ว่าหรือบางฝานาส่วนว่าก็แม่บางหีก็จริงอยู่เพราะว่า ส่วนว่าก็อพิชักละก็ออ ว, ว่าอีกอย่างหนึ่งนี่บาสากว่าเป็นเครื่องทำบดให้เต็มมีเจ็ตัว น, นุนนอสุสีเว่วยวูวอยโกเลว่าตานนหาเวเว้ยนี่บามีเนื้อความต่างๆมีสาสิบเอ็ตัวอัญญาตัดสูสดโดยแท้อาโูอันหนึน่งอาชาแน่แท วัสัเนเอาโออารไกนี้จงสามนู่นแนนานนังปัสสวะาลปัสายาสังกอนอาวิแดงหุดจังทร แม่น้อยหนึ่งกว่าจีบบางมิจะเปี่นโพซาบาโมาเดสิงคราวเดียวสตากาตุงร้อยก่าปากปูตีจาเดิมปูนาอีกปูนาปูน้บ่อยๆปีโยยิงปีนโยโต้โดยยิงตัดสิงพร้อมการสาหนี้กามก่อยกอยสายางเงงสาหกรรมสามังเอง ปัจใจในอับยะยสามปัดใจนั่นลงท้ายนามสามเป็นเครื่องหมายเวาพาบางลง ท, ทา้ายชัดเป็นเครื่องหมายกิริยาบางอย่างนี้ปัดใจที่ลงท้ายนามสามมีสิบเจ็ดตัวดังนี้โตัวปัดใจเป็นเครื่องหมายตัณยาวิาตแปลว่ากลางเป็นเครื่องหมายปัจจมีเวบาตแปลว่า ยัญสาราโตาแต่อนันใดอันหนึง่งีสาราโตา ตัวลางลักินาตัวกลางกว้างวามตัวกลงสาอุตราตัวกลางเหนืออาตารตัวกลางหางย่ตัวแต่ใดอาโตัวแต่นุกตาราตัแต่อะไรปวโตัวแต่ไรปัจใจช่างลายคือตราตาตาอาตาทีหิงหังยินจานาวา มาตมีเวิานแต่ว่าการตัมีดังนี้สัพพาตาราในทั้งปวงสัพพาในทั้งวงสัพพาทในทั้งปวัพพนตาราในอื้นตาในอื้นตราในใดยัตาในใดยังในใดยังในใดสัตตรา นั่นตตาในนั่นตาิ่งในนั่นตาอังในนั่นตัระในนิอาชาในนี้เอกะาในเดียวเอกตาในเดียวอุปยราในสองอุปยะตาในสองเกิดตาในนีิชตาในนิ ในนิการะในไทกาตาในในกูอิงในในกูฮังในในกูฮิตชา낭ในในกับวะในในปัจจัยทั้งหลายเกิธาสนิราวิสนาสา์นา낭ชาชาชโฉเป็นเครื่องหมายแต่จะมี ในการดังนี้ตาปาในการทังกวงสาในการทุกเมื่อเอกทาในการหนึ่งบางติยาตาในการได้เมื่อใด้าในการนั่งเมื่อนั่นตาในการไรเมื่อไรกตจิในการไบางราวอิตาณิในการนีเดียวนี้ ที่ในกนีเดี๋ยวนี้ก็รักทีนกะไหนบางรังอาตูนาในกะนี้มือกิดพระราชาในไทยอาชาในวันมีสัจโจในวันมีอยู่วันนี้ปะราโชในวันอื่นอาปาราโชในวันอื่นเองปัจจัยที่เป็นกิรียากิดนาโนอาคืนสาเวตูนาภาวาสาวนากับทั้งปัดใจ ที่อาเัตดอกจากตาวะเป็นอับยายาแจกด้วยวิภัณไม่ได้อุทาหอนดังนี้กาตะาเวเพื่ออันทรงมกาตุงความธรรมเพื่ออานธรรมกตุนตาธรรมแล้วกตาวะธรรมแล้วกตาวะนาธรรมแล้วจบอับยายะาสักแต่เปียงน